ได้ฟังตำนานของฝรั่งนะตำนานนี้ก็เก่า 2,000 กว่าปีแล้วอาจจะเป็นตำนานสมัยรวมสมัยเกีวยวกับพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นเรื่องของพระราชาองค์หนึ่งนะที่ชื่อซนะิเซฟัสชื่อก็อาจจะฟังยากนะสำหรับคนไทย สิเซฟัตนี่ไปขโมยความลับจากพระเจ้านะพระเจ้าจับได้ก็เลยลงโทษลงโทษนี่ไม่ได้ลงโทษด้วยการฆ่าให้ตายนะแต่ว่าลงโทษให้ทําภารกิจอันหนึ่งก็คือว่าขนก้อนหินเนี่ยเข็นก้อนหินเนี่ยขึ้นภูเขาหินก้อนใหญ่เลยนะกว่าจะ เข็นขึ้นไปถึงยอดนิ่ก็คงเหนื่อยอาการทีเดียวแต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นนะพอเข็นไปถึงยอดเนี่ยก้อนยิ่ก็จะตกลงมาที่เชิงเขาแล้วเขาจะต้องเข็นขึ้นไปอีกนะมันยิ่งกว่าเข็นคร้ขึ้นภูเขานะครานิ่นอย่างเล็กนะแต่หินที่เซซีฟัสเนะข็นเนี่ยมันมันใหญ่ทีเดียว ก็จะต้องทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆไม่มีหยุดนะเรียกว่าจนกว่าจะตาย <c oughs> เข็นหินขึ้นภูเขาเพียงเพื่อจะให้มันพอไปถึงยอดแล้วก็ให้มันตกลงมาแล้วก็เข็นขึ้นไปถึงยอดอีกอันนี้ก็มีบางคนก็เปรียบว่ามันก็คือคนสมัยนี้นะที่ทำงานแต่ละวันแต่ละวันเนี่ย ต้องทำงานที่จำเจซ้ำซากน่าเบื่อไม่ว่าจะทำในโรงงานหรือทำในสำนักงานกว่าจะทำจากเชาจดเย็นนก็อาจจะน้องๆนะเข็นเห็นขึ้นภูเขาถึงยอดแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจบนะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะทำทั้งวันเสร็จเลิกงาน เสร็จแล้ววันลุ่งขึ้นก็ต้องท่องทำแบบเดิมทำงานจำเจซ้ำซากเป็นอย่างนีนะ้แต่ว่ายังดีหน่อยนะที่ยังมีหยุดเสาร์อาทิตย์บ้างนะคนสมัยนี้หรือว่ายังมีหยุดตอนเย็นนะเช้าก็มาทำต่อเรานึกดูนะถ้าเกิดว่าเราเป็นนายซิเซฟัสนี่น ต้องเข็นหินขึ้นภูเขาจนถึงยอดแล้วก็ปล่อยให้มันตกลงมาเพื่อที่จะต้องเข็นขึ้นไปอีกมันจะทุกอย่างไรจะน่าเบื่อเพียงไรถึงแม้จะมีแรงเข็นไปถึงยอดวันแล้ววันเล่าก็ตามอ่าพวกเรานี่ก็อาจจะโชคดีนะตรงที่ว่าเนี่ยไม่ต้องทํางานเหมือนคนในเมืองนะ อย่างที่พูดมาสักครู่เนี่ยพวกเราส่วนใหญ่ก็ละทิ้งชีวิตแบบนั้นไปแล้วนะหรือว่าอย่างน้อยก็ละทิ้งชั่วคราวมาอยู่วัดการปฏิบัตินันก็ไม่ได้จำเจเหมือนกับการทำงานเช้าจดเย็นเช้าจดเย็นซึ่งบางทีมันก็ไม่มีสารอะไรมากนะนอกจากการได้เงินมาเลี้ยงชีพหรือได้เงิน เพื่อที่จะจะสนุกช่วครั้งช่วคราวแต่ถ้ามองดูดีๆนี่เราแต่ละคนนะถึงแม้มาอยู่ตรงนี้ที่นี่นะหรืออยู่ที่ไหนก็ตามในแง่นี้ก็อาจจะมีชะตากรรมไม่ต่างจากนายซิเซฟัสคนนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ขนหินขึ้นภูเขานะแต่ว่าเราเจออีกแบบหนึ่งนะก็คือคนเราเนี่ยมาเกิดมาแล้วนี่ก็ต้องเจอ ความแก่เจอความเจ็บเจอความพลัดพรากแล้วก็เจอความตายมาไม่มีใครนะที่จะหนีชะตากรรมอันนิพนธ์เกิดมาแล้วนะก็รอที่จะรอที่จ ะ, ะแก่ชาราแล้วก็เจ็บระหว่างนะั้นก็มีความพัดพรากสูญเสียนะ จึงเจอความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจผ่านความเศร้าโศกเสียใจเพราะพัดพรากคนนี้ไปก็ไปเจอความสูญเสียอย่างใหม่เช่นตอนเป็นเด็กก็อาจจะเสียปู่เสียย่าเสียตาเสียยายเสียรพโตขึ้นก็เสียพ่อเสียแม่เสียแต่ะเสียคนนี้ก็หนักแล้วนะแต่ต้องเสียอีกเสียพ่อแล้ว ทุกทรมานเศร้าโศกเสียใจผ่านไปได้ก็เสียแมกแล้วแต่ต่อไปก็เสียพี่เสียน้องเสียเพื่อนเสียคนรักเสียลูกเสียหลานเสร็จแล้วก็ถึงวันที่เราต้องตายตายเสร็จนะมันก็ไปเกิดใหม่เกิดใหม่เพื่อที่ได้มาเจอกับความแก่ความเจ็บความพักพ่ายสูญเสียและความตาย ตายเสร็จก็กลับมาเกิดใหม่ตามกติความเชื่อของคนไทยที่ว่าเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมันก็ไม่ต่างจากนายซิเซ ฟ, ฟัสนะขนหินเข็นหินแทบตายถึงยอดแล้วมันไม่จบแค่นั้นแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่เป็นวัฏจักรวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วเปีเล่าอ่าพวกเราก็เหมือนกันนะก็เจอวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตาย ชาติแล้วชาติเราชาติแล้วชาดแล้ ว, ลวนะกว่าจะกว่าจะกว่าจะหมดลมได้เนี่ม่รู้ต้องอดเจอความทุกข์เจอความลําบากแสนเข็นไปมากมายแค่ไหนนะเจอความสูญเสียคนสูญเสียคนรักนี่ก็ทุกข์แล้วนะแล้มันก็ไม่ใช่แค่เสียคนเดียวเสียอีกเสียหนึ่งเสียสองเสียสามกว่าจะหาย เศร้าโสกเสียใจนึกว่าสบายแล้วอา้าวก็เสียอีกแล้วพอหายเศร้าโสกเสียใจอา้าวเจอเอีกแล้วอันนี้คือชะตากรรมของมนุษย์นะที่ก็ไม่ได้ดีไปกว่านายซิเซฟัสเท่าไหรนะ่แต่ว่ามันก็มีเรื่องน่าคิดอยู่ตรงอยู่ประเด็นหนึ่งนะก็คือว่า ก็มีคนคนที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยนะเล่าถึงเรื่องของนายซีเซฟัสเนี่ยเขาก็บอกว่าท่านั่งที่ซีเซฟัสนี่ก็ต้องขนหินนะไปถึงยอดเพื่อที่จะให้มันตกลงมาแล้วแข็งขึ้นมาใหม่เวียนแล้วเบลแล่าแบบนี้เนี่ยแต่เขาก็สามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้พระเจ้าต้องการให้เขาทุกทรมานนะให้เขาทําเรื่องที่น่าเบือ่อเนี่ยมันจะได้เกิดความทุกข์ทรมาน จะตายก็ตายไม่ได้ก็ต้องเข็นไปเรื่อยๆแต่ว่าซิเซอฟอนนี่เขาก็ไม่ยอมแพ้นะก็ไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าเขาจะต้องทุกต้องทำภารกิจนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ทุกข์เขาก็ทำใจไม่ทุกข์ได้ทั้งที่สิ่งที่เขาทำนี่มันทั้ ง, งยากแล้วก็ไม่มีสาระอะไรเลยแต่เขาก็สามารถจะอยู่กับมันได้มีความสุขคือว่า หรืแม้จะเหนื่อยนะเหนื่อยกายนะแต่ว่าใจนี่ไม่ได้เหนื่อยไปด้วยอันนี้นก็โยงถึงเราได้เหมือนกันนะอย่างที่บอกว่าคนเรานี่ต้องเวียนเกิดเวียนตายนะพบแล้วพบเราเกิดแต่ละทีก็ไม่ใช่ว่าสบายความสบายที่เกิดขึ้นก็โชคราวแล้วก็มีความทุกข์นะแล้วก็ความทุกข์ยึมเพิ่งก็คือความแก่ความเจ็บความพัพลาดสูญเสียความตายไอ้ที่ยังมีจรเข้ามาอีกหลายอย่างนะ นะเช่นนะการถูกต่อว่าด่าทอติฉินนินทานะหรือว่าการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะต้องประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รับนะอันนี้ก็มาที่คือชะตากรรมของมนุษย์ทุกคนนะที่เกิดมาในโลกนี้แต่ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วนะเราต้องแก่ก็ดีต้องเจ็บ แล้วก็ต้องตายแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะรักษาใจให้ไม่ทุกได้เหมือนกันนะก็คือว่าแม้จะแก่มันก็แก่แต่กายนะแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยแม้ว่าจะเจ็บนะก็เจ็บแต่กายแต่ใจไม่ได้เจ็บไม่ได้ทุกข์ด้วยถึงเวลาตายนะมันก็เป็นเรื่องของธาตุขันนะที่แตกสายแตกสลายแตกดับไปแต่ว่า ใจก็ไม่ได้เป็นทุกข์้าคนเราถึงแม้ว่ายังต้องอเวียนเกิดเวียนตายนะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะรักษาใจให้ไม่เป็นทุกข์ได้ไปกับความแก่ความเจ็บความตายความพัพภา ก, กสูญเสียทำได้ยังไงนะก็ต้องอาศัยธรรมะนี่แหละธรรมะนี่มช่วยทำให้เร า, าวางจิตวางใจให้เป็นปกติได้เช่นอาจจะมองว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดานะ เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานะการที่เรารับ ว, ว่ามันเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองเราก็สามารถที่จะรักษาใจให้ไม่ทุกได้ น, นี้ในแง่นึงก็ก็คงคล้ายกับซิเซฟัสไงก็คือว่าเค้นหินขึ้นภูเขาวันแล้ววันเล่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยถึงแม้ว่าเขาจะยอมรับชะตา ก, กรรมที่พระเจ้าลงโทษเขาแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้า บังคับจิตใจเขาไม่ได้คือว่าบังคับให้ใจเขาทุกเนี่ยบังคับไม่ได้พระเจ้าต้องการทําให้ซื่ฟ้า น, นี่เป็นทุกกับภารกิจอันนี้แต่ว่าทําไม่ได้นะพระเจ้าไม่สามารถจะบังคับใจของใครได้จิตใจของใครจะสุขหรือทุกมันก็อยู่ที่ตัวคนนั้นนว่าจะวางจิตวางใจอย่างไรซื่อซายฟ้าฉันได้นะเราก็ฉันนั่นนะเราก็ ถึงแม้ว่ารต้องถูกบีบคั้นด้วยความแก่ความเจ็บความพัฒภาคความตายแต่ว่ามันก็บีบคั้นได้แต่กายใจไม่จำเป็นต้องถูกบีบคั้นด้วยนะอย่างไรก็ตามเนี่ยพวกเราก็ยังมนุษย์เรานี้มันก็ยังมีข้อได้เปรียบนะมากกว่าที่จะฟัดนะคือว่าเราสามารถที่จะเป็นอิสระจากวัตฏะอา่าวัตฐจักอันนี้ได้ไม่ใช่คนเราต้องเวียนเกิดเวียนตายกันชาติแล้วชาติเราไป จนนิรันดรมนุษย์เราเนี่สามารถที่จะหลุดออกจากวัฏจักรนี้ได้ออกจากวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าเวียนเกิดเวียนตายชีวิตฟันนี่มันออกไม่ได้นะถูกพระเจ้าลงโทษเพอเพอพระเจ้าทําให้มันให้ชีวิฟันเป็นอมตะเลยเป็นอมตะคือไม่ตายก็ขนอยู่นั่นแหละขนขึ้นขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาก็ขนขึ้นมาอีกเข็นขึ้นมาอีก นั่นเป็นที่จฟัดนะแต่มันต่างจากเรามนุษย์เรายังมีความสามารถที่จะเป็นอิสระจากวัตจักรนี้ได้อันนี้มันเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของพระเจ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของชะตา ก, กรรมไม่ใช่เรื่องของผลลิขิตนะไอ้ที่เราต้องเบียนเกิดเวียนตายมันไม่ใช่ว่ามีใครบาบังคับหรือว่าสาบแช่งให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนั้นแต่มันเป็นเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติ ตาใดที่ยังยังมีกิเลสตัณหานำไปสู่กรรมกรรมนี่มันก็นำไปสู่การเกิดต่อไปถึงแม้ว่าร่างกายแตกดับจิตแตกดับแต่ว่ามันก็มันก็เกิดใหม่ชาิแล้วชาดเล่าพระจาเนี่ยเปรียบว่าวิญญาณเนี่ยหรือจิตเนี่ยเหมือนกับมเมล็ดนะเมล็ดข้าวก็ได้ ส่วนกรรมนี่เหมือนกับทุ่งนาหรือแผ่นดินตันหานี่ก็เปลี่ยนเหมือนกับยางะยางในเมล็ดข้าวถ้าเมล็ดข้าวมันมียางอยู่นะแล้วก็มันมันตกมาในดินนะมันก็เกิดเกิดเป็นต้นแล้วต้นนี่ก็ออกรวงไอรวงข้าวนี่ก็มันก็มีก็มีเมล็ดมากมายที่เอาไปปลูกใหม่พอปลูกใหม่ก็เป็นต้นใหม่นะไม่มีจบไม่มีสิน้น คนเรานี่ตาบใดที่นะยังยังต้องทํากรรมยังไม่รู้จักการยกจิตเหนือกรรมนะยังมีตัณหาอยู่มันก็ไม่ต่างจากเม็ดข้าวนะตกลงไปในดินแล้วก็เม็ดมันยังมียังมียางอยู่ผมก็เกิดขึ้นได้แต่พระอรหรนันต์หลวงพ่อพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าไม่มีกรรมล้วอยู่เหนือกรรม ไม่เนื้อกรำทั้งกรรมดำกรมขาวทั้งกุศลและอกุศลทั้งบุญและบาปนี่อยุ่เหนือแล้วและแถมตันหาก็ไม่มีแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับมเมล็ดข้าวที่มันแห้งแล้วก็ไม่มีดินด้วยไม่เจอดินมันก็ไม่งอกเป็นข้าวต้นใหม่อันนี้คือสิ่งที่เป็นไปตามกฎธรรมชาตินะมนุษย์เรานะสามารถจะหลุดพ้นจาก วัตจักรเวียนเกิดเวียนตายนี้ได้ก็เป็นอิสระอย่างแท้จริงอาการปฏิบัติธรรมนี่นะนมันก็คือการที่ทําให้เราเห็นความจริงตรงนี้แล้วก็พัฒนาความสามารถขึ้นมาจนกระทั่งเราเป็นอิสระได้อิสระจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายคือไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องแก่เมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องรอให้ให้เกิดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเกิดจากท้องแม่นะนะเกิดในที่นี้เนี่ยมันอาจจะหมายถึงการเกิดทางจิตใจทางหรือที่บางท่านเรียกว่าการเกิดทางวิญญาณก็ได้ก็คือว่าเกิดความสําคัญมา่นหมายเป็นนั่นเป็นนี่นะคนเรานี่มันเกิดความสําคัญมั่หมายเป็นนั่นเป็นนี่อยู่เรื่อยๆอย่างอย่างเช่นตอนนี้นะเวลาเจอพระโยมก็รู้สึกว่าฉัน เป็นคารว่าฉันเป็นคฤหัสน์หรือฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่พอลูกมาลัดนะก็เกิดความสำคัญว่าฉันเป็นแม่ฉันเป็นพ่อไปเจอฝรั่งนะก็เกิดความสาคัญว่าฉันเป็นคนไทยความเกิดหรือความเกิดในทางความรู้สึกว่าฉันเป็นคนไทยฉันเป็นพ่อแม่ฉันเป็นโยมฉันเป็น นักปฏิบัติธรรมอันนี้เรียกว่าเกิดทางวิญญาณนะเรียกว่าเกิดชาติขึ้นมาพตุตตเจา้านี่นะไม่มีเกิดแบบนี้แล้วไม่มีความสำคัญว่าเป็นมนุษย์เป็นเป็นอะไรทั้งสิ้นอย่างที่ได้เทศันเมื่อวันเสาร์ น, นะว่าเนี่ยเคยมีพรามคนหนึ่งมาถามพาระเจ้าว่าท่านเป็นเทวดาไหมพตุตตเจา้าก็ปฏิเสธทนั่งที่อ่า คือเขาเห็นพระองค์เนี่ยมีสง่าราศีมากก็เนื่อเป็นเทวดาถามว่าพระองค์เป็นเทวดาไหมพระองค์ก็ปฏิเสธถามว่าพระองค์เป็นคนทันคนทันที่ก็เทวดาชนิดหนึ่งพระองค์ก็ปฏิเสธถามว่าพระองค์เป็นยักษ์ไหมพระองค์ก็ปฏิเสธพราม์ก็เลยจีนลงไปว่าพระองค์เป็นมนุษย์ใช่ไหมพระองค์ก็ปฏิเสธอีกทั้งพราหม์ก็เลยงงตกลงพระองค์เป็นใครพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอาสวะกิเลยที่ทําให้พระองค์เป็นเทวดาเป็นยักษ์เป็นคนทันเป็นมนุษย์มัน พระงได้ละแล้วหรือถอนหมดแล้วนะคือไม่เป็นอะไรแล้วนะไม่เป็นอะไรในที่นหมายถึงว่าไม่เป็นด้วยความยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นด้วยอํนนานาจของอุปาทานนะไม่มีอันนี้เรียกว่าไม่เกิดนะไม่เกิดในทางจิตใจว่าเป็นเป็นอะไรทั้งสิน้นนะซึ่งอันนี้ก็ก็คือเรื่องเดียวกับที่หลวงพ่อได้พูดนะว่าอยู่เสมอวันนี้ไม่เป็นอะไรกับอะไราคนที่ไม่เข้าใจก็งงตกลงพระองค์พระ หลวงพ่อเป็นอะไรเป็นใครก็เป็นหลวงพ่อไม่ใช่หรืเป็นพระไม่ใช่เลยอันนั้นมันเป็นสมมุตินะเป็นสมมุติแต่ว่าในจิตใจนะอย่างของพระพุทธเจ้านี่คนก็จะมองพระเจ้านี่ก็เป็นลูกกษัตริย์นะเป็นนักบวชเป็นพระบรมศาสดาเป็นเจ้าสํานักอันนั้นมันเป็นมุมมองของเขาตามสมมุติแต่พระองค์ไม่ได้รู้สึกว่าพระองค์เป็นอะไรเลยนะไม่มีความสําคัญไม่หมายเป็นอะไรทั้งสิ้น ไอ้ที่เป็นนั่นมันเป็นโดยสมมุติ เ, เสร็จแล้วพูะเจ้าก็ตรัว่าเนี่ยก็ให้ตลงพรามณ์นี่ก็งงว่าจะเรียกนั้นพระพุทธเจ้าเป็นใครพระพุทธเจ้า ก, ก็เลยบอกว่าให้ถือว่าเราเป็นพุทธะก็แล้วกันถือว่านอันนี่หมายถึงว่าให้มันเป็นเรื่องสมมุตินะให้สมมุติก็คือการถือหรือเข้าใจร่วมกันให้ถือว่าเราเป็นพุทธะพุทธะในที่นี้ก็เป็นสมมุตินะในจิต ใจของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้คิดว่าหรือสําคัญบรรมหมายพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าได้ซ้ําอันนั้นมันเป็นเรื่องที่คนเขาเรียกกันหรือคนก็สมมุติกันพระองค์ก็รู้สมมุตินะแต่ว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอันนี้แหละคือหมายถึงการไม่เกิดทางจิตใจนะไม่เกิดทางวิญญาณไม่เกิดพบไม่เกิดชาตชิซึ่งอันนี้เราก็ทําทได้นะ ในเวลาที่เรามีสติเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่มีการปรุงแต่งเป็นพวบเป็นชาติไม่มีความรู้สึกสําคัญไมาหมายว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ถ้ามีความรู้สึกตัวนะแต่ว่าพอเจอเจอลูกไอ้ความรู้สึกตัวจะหายไปก็เกิดความทรงจำฉันเป็นแม่ขึ้นมาไปติดในสมมุติแล้วก็หลงในสมมุติไปเจอฝรั่งเจอญี่ปุ่นเจอคนจีนก็ออกฉันคนไทย อันนั้นไงมันก็เป็นสมมุติที่เกิดขึ้นมามันก็เป็นความปรุงแต่งถ้าไปยึดมันถือมั่นมันก็หลงแต่ถ้าเรารู้ว่าถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยที่เราเดินจงกรมเราก็รู้ว่านี่เปนแค่สมมุติที่ใช้เรียกกันอันนี้ก็เรียกว่าภาวะที่เราทุกคนปฏิบัติได้เข้าถึงได้และทําให้มันท้าวรได้คือไม่ไม่กำเริบกลับมาอีกนะเป็นได้ทั้งนั้นนะทั้งพระทั้งทั้งโยมทั้งแม่ชี และบางทีโยมอาจจะทําได้ดีกว่าพระหรือว่าเร็วกว่าพระก็ได้ในสมัยพุธการก็เคยมีนะมีคราหนึ่งมีพระหกสิบรูปเนี่ยจะจะรีบไปยังเชตวันแต่ว่าไม่ทันถึงนะไม่ทันถึงเชตวันมันก็เป็นช่วงเข้าพรรษาพอดีก็เลยตกลงกันว่าต้องหาที่จำพรรษาผ่านหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง ก็เลยคิดว่าเนี่ยลองเอาหมู่บ้านนี้ดีไหมก็บังเอิญที่ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะชื่อมาติ ก, กมาตานะมาติกมาตานี่ก็เป็นเป็นเศรษฐินีนะของหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชื่อมาติกนะมาตาแปลว่าแม่นะอท่านมาติกมาตาก็เห็นเห็นพระก็ดูว่าสํารวมนะ ก็เลยถามว่าท่านจะไปไหนพอได้ทราบว่ากำลังหาที่จำบัรษานางก็เลยบอกว่ามาจำบัรษาในในที่ของนางก็ได้เพราะนางมีที่มีที่เยอะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเออถามถ่ายก็เกิดความเข้าใจในพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นเบื้อง ต, ต้นก็บอกว่าเนี่ยในระหว่างจำบัญษานี้นางก็จะก็จะรับศีลด้วยนะรับศีลห้า แล้วก็ปรารณาว่าจะนําอาหารนะจะนําเครื่องดื่มนํามาถวายนะเมื่อพระทั้งหกสิบลูกก็ตกลงว่าจะจำพรรษาที่นี่แหละแล้วก็ตกลงกันว่าเนี่ยในช่วงจำพรรษาแล้วก็จะปลี่ยวิเวกนะจะมาเจอกันก็แต่เฉพาะเวลาฉันหรือว่าเวลามีเหตนะุถ้ามีเหตุอะไรก็ให้ตีละครังเมื่อตีละครั้งก็แปลว่า มีเรื่องที่จะต้องมาพบปะกันนะก็จะก็จะมาหากันแต่ถ้าไม่มีอะไรนะก็จะหลีกเล่นปฏิบัติในกุฏิที่พราของตัวฝ่ายนางมติกรรม า, าก็ให้คนใช้เนี่ยเอาอาหารไปถวายนะเวลาอาหารมาก็ตีระฆังพระก็มารับแล้วก็ตักเสร็จก็แยกย้ายกันกลับวันหนึ่งนะั้นนางมติกรรตาก็มาเอง มาเอก็เห็นว่ า, าพื้นที่บริเวณนั้นเงียบสงัดมากก็สงสัยพระไปไหนนะนางอน้ำปาน้ามาถวายก็ได้คําตอบว่าเนี่ยพระท่านดิกเล่นอยู่นะในในในกุฏนะิถ้าต้องการพบนะก็ต้องตีะระฆังนางก็เลยตีะระฆังนะพระก็มาจากทิศต่างๆนางเห็นก็แปลกใจว่าเอ้ทำไมแทนที่จะมามาจาก ทางเดียวกันแทนที่จะมาทางเดียวกันแต่มาจากคนละทิศก็สันนิษฐานว่าก็เข้าใจไปว่าพราะเนี่ยทะเลาะกันพระทะเลาะกันก็เลยแยกกันอยู่นะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าพอคุยก็เลยเข้าใจวอ๋อพระท่านไม่ได้ทะเลาะกันหรอกนะพระท่านต้องการปริกวิเวกนะก็เลยอยู่กันคนละคนละมุมคนละจุดนะไม่มีอะไรก็ต่อเมื่อมีธุระถึงค่อยมามาพบกัน ก็ได้มีการสนทนาธรรมกันแล้วก็ถามว่าเนี่ยท่านภาวนาอะไรภาวนาเพื่ออะไรภาวนาไปทําไมพระท่านก็อธิบายนะภาวนามาตถิกมาตาไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ได้เป็นชาวพุทธมาตั้งแต่แรกเราก็ถามเรื่องการภาวนาพระท่านก็บอกว่าเนี่ยภาวนาด้วยกายคตาสติเจริญความเจริญพิจารณาอวยวะสานิสิบสองนะนที่เราสวดกันนั่นแหละในร่างกายมี เก okay, สาโลมานะขาตันตาตะโจ อ, อย่างเงี้ยนางก็สนใจแล้วก็นาไปปฏิบัติเพราะว่าทําไม่นานนะก็เกิดบรรลุธรรมเป็นพระนาคามีเลยพระนี่ยังเป็นปุถุชนอยู่เลยนะนางนี่ไปละล่วงหน้าไปแล้วเก่งกว่าครูนะครูสอนนี่ยังเป็นปุถุชนอยู่เลยแต่ว่าลูกศิษย์นี่เป็นอุบาสิกาไม่ค่อยรู้ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยจนกระทั่งเนี่ยมาเจอพระเนี่ย แต่ว่าบรรลุธรรมได้เร็วมากเป็นอนาคามีแล้วก็มีอภินญาคือรู้ใจได้นางก็เลยวันหนึ่งก็ลองนะลองอยังจิตไปไปดูว่าพระแต่บรรูปเป็นอย่างไรเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะท่านบรรลุธรรมเหมือนเราไหมก็ปรากว่าก็พบว่าพระเหล่านั้นยังไม่บรรลุธรรมเลยยังเป็นปุถุชนอยู่ นางก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงไม่บรรลุธรรมเป็นเพราะว่าเสนนาสนะมันไม่ดีไหมก็พบว่าในความรู้สึกของพระแต่รูปท่าน ก, ทานก็ท่านก็พอใจเสนาสนะก็ย่างไปดูเรื่อยๆนะสุดท้ายก็ถามว่าอาหารมันขาดแคหรือเปล่าอาหารไม่ดีไหมก็พราบว่าในความรู้สึกของพระเหล่านั้นเนี่ยท่านก็รู้สว่าอาหารมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านก็เลยนะ จัดการนะําอาหารอย่างดีมาถวายอย่างดีในที่นี้คือว่ า, าให้ให้สมบูรณ์น่นนะก็ปรากฏว่าพอพระทัานได้อาหารคราวนี้การปฏิบัติก็เจริญก้าวหน้านะเรื่องอาหารสัปปะยะอย่างอื่นสัปปะยะหมดแล้วนะขาดแต่เรื่องอาหารพอได้อาหารพอเพียงกับความการปฏิบัติธรรมก็ปกาารากฏบรรลุธรรมเลยนะ บรรธรมนะ น, นี่ก็เป็นเป็นเป็นเกร็ดนะที่เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นว่าเนี่ยเรื่องอาหารก็สําคัญนะถึงแม้ว่าจะมีสัจเสนาสนะที่ดีหรือว่ามีความตั้งใจแล้วแต่ว่าถ้าอาหารนะมันขาดแคลนหรือว่าไม่กระพองกระแพ่งก็มีปัญหาอ่าแต่พวกงี้แม้เขาว่าอาหารที่สุกโตนี่ไม่ไมดีนะดีดีอยู่แล้วนะ แล้วก็อาจจะดีเกินไปด้วยอันนี้เนี่ยพระทั้งหกสิรูททั้งกระบรุษรมแล้วพอออกพรรษาท่านก็เลยท่านก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เสตตะวันแล้วก็เล่าเรื่องราวเล่าเรื่องราวนะให้พระ เ, เจ้าฟังก็มีพระรูปหนึ่งอยากลองของนะพอดีว่านางมัติกมาตานี่ <c oughs> อย่างรู้ว่ารจิตคนก็อยากจะไปลองดูมั่ง ก็เลยไปไปผู้เดียวเลยนะไปที่บ้านของนางมาติกรรมาตานางก็ต้อนรับดีนะคราว น, นี้พระรูปนี้ก็อยากจะลองว่านางเนี่ยยังรู้วาลจิตได้หรือเปล่าก็เลยพูดว่าเนี่ยสถานที่มันมันไม่มีใครปัดกวาดเลยถ้ามีใครปัดกวาดก็ดีนะนางมาติกรรมาตารู้นะก็เลยส่งคนช้มาปัดกวาดคราว น, นี้พระก็ลองทดลองอีกว่าเ อ, อ ถ้าเรามีข้าวยาคูฉันนี้ก็จะดีนะนามาติกมาตาก็รู้นะก็เลยส่ง อ, อส่งข้าวยาคูมาถวายลองแบบนี้หลายๆครั้งในสุดนะพระรูปนี้ก็รู้แล้วว่านามาติกมาตานี้อย่างรู้ว่ารจิตได้จริงๆครานี้เรากลัวเลยนะกลัวเพราะกลัวว่าตัวจะคิดชั่วเดี๋ยวเดี๋ยวโยมจะรู้ก็เลยขอลาไปเลยฮขอขอไปดีกว่ากลับกลับเชตวันดีกว่า พอไปถึงเชตะวันผรูเจ้า ก, ก็ถามว่าอ้าวทำไมถึงรีบกลับก็ได้คำตอบว่าเนี่ยเพราะกลัวว่านางจะอยากรู้จิตใจของตัวก็ทําทำให้การปฏิบัติลำบากเพราะว่ากลัวนะนยิางกับพวกเราเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ว่าครูบาอาจารย์คนไหนนี่อยางรู้ว่าลจิตได้นี่เราก็ตัวรีบเลยภาพ ร, รูปนี้ก็เหมือนกันก็เลยบอกว่าไม่ไมเอาละไม่ไปดีกว่าแต่ผพ้เจ้า ก, ก็ขยันขยอนนะบนเนี้ยก็ควรจะไป น่าจะกลับไปพาลูกนั่นก็ถามว่ากลับไปแล้วจะทำอย่างไรปฏิบัติตัวลําบากพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยก็ทําอย่างเดียวนะข้อเดียวพอทําอย่างไรพระเจ้าก็ตอบว่ารักษาจิตให้เป็นปกติพอได้พอได้แนวทางนี้นะพระท่านก็เกิดเกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็กลับไปนะ ก็รักษาใจเป็นปกตินะไม่ไม่หวั่นเกรงไม่วิตกว่านางมัติกรมาตานี่จะรู้วาลจิตของตนหรือไม่แล้วก็บอกว่าการปฏิบัติธรรมก็เจริญก้าวหน้านะจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพาระอรหันต์นะเรื่องนี้นี่ก็ทหง่ายคิดหลายอย่างนะอย่างที่เล่ามาเนี่ยแต่ประเด็นสำคัญคือว่านะบางครั้งนี่อุบาสิ ก, กาหรือว่าผู้ไกลธรรมะ ก็สามารถจะรู้ทําได้เร็วกว่าพระรู้ทําได้เร็วกว่าครูบาอาจารย์นะที่รู้ธรรมได้ซ้ํำอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาบางคนจะบอกว่าเป็นเรื่องของบุญญาบารมีในชาติปางก่อนแต่ที่จริงแล้วนี่มันเป็นเรื่องของของการรู้จักวางใจนะถ้าวางใจให้เป็นเนี่ยก็บรรลุธรรได้เร็วเหมือนกันเพราะฉะนั้นในพวกเราได้ฟังนี้แล้วนี่ก็ ก็ให้ตระหนักว่าในความเป็นนักปฏิบัติของเราเนี่ยนะมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผ้าที่สวมใส่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจีวรหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับศีลที่ปฏิบัติด้วยซ้ำอย่างโยมก็มีศีลน้กว่าพระนะแต่ว่าการปฏิบัติก็อาจจะเจริญก้าวหน้ากว่าก็ได้หรือว่า เอาแค่สีนข้อเดียวก็พอถ้าใช้สมาทานสีนข้อเดียวก็ จ, จะลดหนักก็ได้อย่างที่พระเจ้าได้แนะนําพระรูปเนี่ยนะว่าเพียงรักษาใจให้เป็นปกติก็พออันนี้ก็เหมือนกับว่ามีสีลแค่ข้อเดีย ว, เ, ยวเป็นศีนอริยะเลยนะมันไม่ได้อยู่ที่กายวาจาแต่มุ่งมาที่ใจงั้นถ้าเรารู้จักจับหลักตรงนี้ได้นะ เราจะถือศีลแศีลหหรือศีล2องข้อก็ตามหรืจะถือศีลเป็นพันข้อก็ตามศีลอะไรก็คือการทําให้ใจปกติเรารักษาศีลเยอะแต่ว่าใจาไม่ปกติเกิดความหลงตัวลืมตนหรือว่ายกตนข่มท่านดูถูกผู้อื่นอันนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์หรือว่าทําด้วยความโลภอยากให้คนเข้าสารเสิร์ฟอยากจะให้ได้ราบสักการะมันก็ไม่ทําให้ การปฏิบัติจเจริญก้าวหน้าได้ถ้าลงมาลงที่การรักษาใจให้ปกตินะให้การที่จะเห็นธรรมนะจนกระทั่งบรรลุถึงอิสรภาพนะหลุดพ้นจากการเวียว่ายตายเกิดนะไม่ต้องไปเวียนเกิดเวียนตายมันก็เป็นไปได้นั่นก็ตั้งใจนะในการปฏิบัติไม่ว่าจะในวันพระวันศีลหรือว่านอกวันพระวันศีหรือว่าเป็นโยมเป็นพระ มันโอกาสเสมอกันเท่าเทียมกันคำนี้กับพท่านี้นะครับระ